ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านทุกฟังทั้งหลายแต่รงประพัิยานคงพูดเรื่องทานนกถาโดยในย่าต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แก่กลุ่มคนซึ่งแตกต่างกันออกไปวันนี้จะพูดถึงทานวัตถุสิประการคือบางคนให้ทานเพราะความชอบพอกัน เราเชื่ว่าการให้ทานในลักษณะนี้ให้ได้ง่ายเพราะว่ากุรับนั้นเราชอบพออัธยาศัยใจคอกันอาจจะเป็นการสงเคราะห์ก็ง่ายอนุเคราะห์ก็ง่ายหรือแม้แต่บูชาสักการะก็ง่ายเพราะมีความผูกพันกันเป็นการส่วนตัวแต่บางคนให้ทานเพราะโกรธ หมายความว่าคนอื่นเข้ามาจำจี้จำายมาบุญวายมาขอร้องมาอ้อนบอนหรือบางครั้งก็อาจจะคมคู่เพื่อตัดปัญหาตัดความรองคาญก็เลยก็ให้ไปก็น่าในลักษณะนี้จะเล่าถึงนางปัญจะป่าปาหรือปัญจะป่าปีว่า เตืให้ก้อนดินแก่พระปัจเจ้าพุทธเจ้าใจาความโดยสรุปนะฮะว่าพระนั้นขุดดินไม่ได้เตืตัดต้นไ ม, ไ, ดด ไ, ไม้ไม่ได้ดิดเด็ดใบไม้ไม่ได้ต้องอบับดับเพราะเมื่อท่านต้องการดินสำหรับโบกฝากุฏิของท่านท่านก็เตีอวไปบินทบาติพอดีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังขุดดินดู ท่านก็ไปยืนเพื่อบินธบาตนางก็บอกเออส ม, มณะนี้ขอทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ดินก็ยังขอเลยก็จับดินก็แทกโครมลงไปในบาตรเสร็จแล้วก็เกิดสำนึกว่าเอมันไม่ควรนะทอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไปโกรธท่านเฉยเลยก็ไปขอดินคืนมาแล้วก็จัด ก, การเอาดินถวายท่านเต็มที่ แต่ทั้งสองข่าวนั้นก็ให้ผลด้วยกันคือในช่วงแรกที่ให้ประความโกรธนั้นปรากฏว่าหน้าตาเธอบิดเบี้ยวไปห้าจุดด้วยกันเรียกว่าปัญจปาปาหรือปัญจปาปีหมายความว่าหน้าเนี่ยมันพิรุธไปห้าแห่งคือจะมูกปากหูตาเนี่ยไม่อยู่ในจุดที่ควรจะอยู่จะในขณะเดียวกันด้วยขายด้วยการถวายก้อนดิน แ ด, ด่พระบาทเตกาพุทธเจ้าซึ่งเป็นพ่อผู้บริสุทธิ์หมดจดนั้นก็ทำให้เธอบังเกิดเป็นตู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาไม่สวยจริงแต่ว่าสัมผัสเป็นทิพย์หรือใครจับต้องเขาแล้วก็จะรู้สึกเินเหารักใคร่เยื่อใหยอะไรจนในที่สุดก็ เดินไปกระทบกับพระราชาซึ่งปลอมพระองค์มาเที่ยวในเมืองพระราชาเกิดปลูกพันธเสนหารักใคร่รับเข้าวังไปเป็นมเหสีไม่ได้สนใจรูปร่างหน้าตาแต่สนใจเรื่องสัมผัสที่นิ่มนวลที่ให้ความอบอุน่นแล้วต่อมาก็ได้เป็นชายาของพระราชาอีกพระองค์หนึ่ง จนในที่สุดประชาชาสองโงค์เกิดขัดแย้งกันต้องตัดสินกันโดยสร้างปราสาทให้นางอยู่ในระหว่างแดนชายแดนต่อกันประชาชทั้งสองเมืองนั้นก็มาร่วมอภิรมยินดีอยู่กับนางแสดงให้เห็นว่าบุญกุศลที่บุคคลทำเอาไว้นั้นก็ให้ผลตามถานาเราเจนว่าเจตนาอยาก ถวายก้อนดินเหมือนกันแต่เจตนาหยาบถวายไปด้วยความโกรธก็กลายเป็นนางพิรุษถึงห้าแห่งแต่ในช่วงที่สองถวายดินนั่นแหละแต่ว่าเจตนาประณีตาทาด้วยความสํานึกผิดด้วยความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็กลายเป็นการได้สิ่งที่เป็นทิพย์คือมีสัมผัสติเป็นทิพย์ อีประเภทหนึ่งให้พหลงคือไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลอะไรเท่าไร ห, หรอกก็เขาชวนใะห้วายังไงก็ทำกันไปด้วยมูาคติบางครั้งเรื่องดีกว่าดีไปบางครั้งคนชวนไม่ดีก็กลายเป็นเรื่องที่เสียหายไปนี่ก็เป็นเรื่องของการให้ทานซึ่งเกิดขึ้นจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน บางครั้งให้เพราะกลัวคนอื่นก็จะตอว่ากลัวคนอื่นก็จะตำหนิกลัวคนอื่นก็จะดูหมิน่นกลัวคนอื่นจะไม่รับการยกย่องก็สรุปว่าให้เพราะความกลัวพวกนี้เป็นเรื่องอคติหมายความว่าทุกฝ่ายเนี่ยยังอยู่ภายใต้อำนาจของอคติอยู่ให้ทานไปก็ให้ทานด้วยแรงของอคติทําให้ทานมีผลไม่มาก และการต่อไปให้ทานเพราะมันเป็นจารีตเป็นจารีตของสกุลปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านเคยให้มาเราไม่มีเหตุผลไดหรอกแต่เห็นว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ท่านเคยให้มานี่เราควรจะสืบสารสิ่งดีงามต่างๆขางท่านเอาไว้ไม่ควรจะให้ขาดเสียเลยก็มีการให้ทานเป็นการสืบต่อสกุลกัน โดยจะว่าครอบครัวบางครอบครัวปุยญาตายายให้ทานกันมาก็ให้มาถึงลูกดึงดานถึงเห็นดึงลึกทำบุญตักบาตรสืบต่อกันมาไม่ขาดสายนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเป็นอนุวัตตามเป็นการคล้อยตามปุยญาตายายพ่อแม่พี่น้องว่าพ่อแม่ปุยญาตายายหลวงป้าน่าอาต่างๆที่ท่านได้กระทำมาเพื่อไม่ให้สกุลวงเสื่อมเสียเรียกว่ายันตามสกุล ถือเป็นการปฏิบัติตามสกุลกันไปประการต่อไปบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อตายแล้วจะเข้าถึงโลกสวรรค์โดยการคาดหวังผลนะฮะว่าการให้ทานนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อทําการละ ก, กิริยาตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะงั้นตัวเองก็ปรารถนาสวรรค์จึงให้ทานซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะคร แต่แสดงว่าเจตนารมในการให้ทานนั้นมันแตกต่างกันไอ้ตัวเจตนาที่แตกต่างกันนะทำให้ผลของทานมันไม่เหมือนกันบางคนให้ทานเพราะนึกว่าจิตใจเรื่อมใสความดีใจย่อมเกิดตามลำดับเมื่อเราให้ทานด้วยในวัตถุในบุคคลที่ที่เรามีจิตใจเลื่อมใสต่อท่านอยู่ ให้ไปแล้วนึกถึงเป็นอาปา布拉布拉เจตนาคือย้อนตามไปคิดไปพิจารณาถึงการให้ทานที่ตนได้กระทํำไว้ก็เกิดศรัทธาเรื่อมใสเกิดปีติประโมุขเกิดตามลําดับดีแม้วหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องปรุงจิตเป็นเครื่องประดับจิตคือทำจิตให้แจ่มใสเบิกบานแช่มชื่น แล้วก็มีความร่าเริงนี่ก็เป็นเป็นเจตนาลมนะฮะเป็นเจตนาลมเจตนาเป็นเหตุให้บุคคลให้ทานคือโดยเจตนาที่ต่างกันเราจะพบว่าสองข้อหลังนี่คือข้อเจ็ดกับข้อแปดเนี่ยให้ทานเพราะนึกว่าจิตใจเริ่มใสความดีใจย่อมเกิดตามราดับกับให้ทานเพราะเป็นเครื่องประดับ ปรุงแต่งจิตให้มีความประณีตขึ้นสองประการนี้ถือว่าเป็นทานที่มีผลมีอานิสงส์มากประการต่อไปนั้นเป็นการให้ทานแก่สมณพราหมณ์โดยความมุ่งหมายผลปรารถนาผลพวกนี้มันไปเชื่อมโยงกับสักขกถาคือสวรรค์ หมายความว่าท่านไปศึกษาเรื่องสวรรค์มาแล้วก็มีความพอใจติดใจที่จะบังเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆคือสวรรค์ที่เราได้ยินได้ฟังเอาก็จริงเราชอบไม่เหมือนกันออยา่างบางคนบางคนเช่นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านเป็นทั้งปโสดาบันท่านจะไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนก็ได้แต่ท่านพอใจที่จะไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นจ่าตุมาราชซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นต่ํา พระพุทธเจ้ารับสั่งถามมาทำไมไปเกิดที่นั้นท่านบอกว่าอันนี้คนคุ้นเคยอยู่มากมีเพื่วมฝูงเขาอยู่กันที่นั่นก็ชวในให้ไปอยู่ดไปอยู่ด้วยกันเลยก็ไปอยู่กับเข า, าทางที่ท่านจะเลือกเกิดอีกสวรรค์อีก5าชั้นนี้ได้นะฮะตามอัธย์าใส่นคนเราเนี่ยเวลาฟังถึงอนิสงค์ของฐานที่ทำให้บุคคลบังเกิด ในกําเนิดต่างๆที่ยิ่งย่อนแตกต่างกันออกไปก็ทําทานแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อตายไปจะได้เป็นกษัตริย์หรือเป็นเศรษฐีเห็นว่าเป็นกษัตริย์ดีเป็นเศรษฐีดีก็ทําบุญทํากุศลแต่ว่าตั้งความปรารถนาที่จะให้ตนตายไปแล้วไปเกิดเป็นกษัตริย์หรือไปเกิดเป็นเศรษฐี ดันงนั้นก็ต้องการเกิดสวรรค์ชั้นต่างๆทั้งหกชั้นนะนะฮะชั้นจ่าตุมาราชชั้นดาวดึงชั้นยามชั้นดุสิตชั้นนิมานีชั้นเป็นปมิตรวัสวัตดีบางคราวก็ต้องการจะเกิดเป็นพรหมแต่พรหมนี้ไม่จะเกิดด้วยผลรองทานนะครมันเกิดโดยผลของฌานหมายความว่าถ้าต้องการจะเกิดเป็นพรหมนั้นต้องเลยทานไป โดยทานเลยศีลไปนะเป็นภาวนาก็เป็นผลเป็นานิสง์ที่มันมีความประนีตยิ่งขึ้นหมายความว่าท่านจะต้องเจริญพวกภาวนาข้อใดข้อหนึ่งจนได้บรรลุฌานอย่างน้อยก็ปฐมฌานอย่างหยาเป็นต้นไปเนะียฮะท่านก็จะบังเกิดเป็นพรตแต่ในขณะเดียวกันการให้บางอย่างท่านไม่จัดว่าเป็นทาน เพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่พื้นฐานของการเบียดเบียนเบียดเบียนสิ่งที่เราให้นะฮะสิ่งที่เราให้คือสิ่งที่เราให้นั้นถูกประทุษร้ายเบียดเบียนหรือว่ามันเป็นการกระตุ้นให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นมาภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจท่านจำแนกเอาไว้ในบาลีเนี่ยสิบประการด้วยกัน ก็คือการให้หญิงเพื่อเป็นชายเป็นพันยาของชายก็นี่เราจะชัดเจนในพระวินั ย, นยกำหนดเอาไว้เลยว่าภิกษุชักเสือชายหญิงเป็นสามีพันยากั น, นปราบอบัตสังคาทิเศ็แสดงว่าเป็นการกระตุ้นให้ทั้งสองฝ่าย เ, ยเกิดราคขต่อกันแล้วก็ แสดงว่าจิตใจของผู้ให้เองก็พอใจชื่นชมยินดีกับการมีเพสสัมพันธ์ในลักษณะอย่างนั้นเรือให้แม่โคแก่พอโคเพื่พอผสมพันธ์อย่างเนี้ยก็ถือว่าไม่เป็นทานนะฮะแต่ในรูปของอาชีพอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็พูดประเด็นของทานบอามันไม่จะทานไม่เป็นทานเพราะว่ามันมีการ เพิ่มภูนราคะเพิ่มภูนโลภะเพิ่มพูนโทสะเพิ่มพูนโมหะแต่ลักษณะของทานเนี่ยที่บอกไว้ว่าต้องลดราคาโลภะโทสะโมหันลงไปลดมากลดน้อยไม่สําคัญเนาะแต่ว่าต้องลดถ้าไม่ลดก็ไม่ได้ถือว่าเป็นฐานแต่ว่าไอ้น้ำเมามีสุรามีไรเป็นต้นอยเราไปในะที่บางแห่งมีคนขอร้องให้เลี้ยง ให้ช่วยเลี้ยงเหล้านะเป็นการทำบุญการเลี้ยงเหล้าไม่ใช่ทำบุญนะแล้วก็ไม่ถือว่าได้บุญก็เป็นการสนดงส่งเสริมสนับสนุนกันในทางที่ไม่ดีคนเมาก็ประสบโทษของสุราด้วยประการต่างๆให้รูปภาพพว ก, กจิตกรรมทั้งหลายเนี่ยนะ จิตกรรมทั้งหลายเราจะเห็นว่ามันกระตุ้นความรุนแรงกระตุ้นการมราคะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโลภะเราเห็นแล้วมันเกิดจินน า, นาการก็ อ, อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นปรารถนาะความได้ความมีความเป็ น, น, นอย่างนั้นอย่าง น, นี้อย่างโน้นเกิดในแง่ของรลวินัยเนี่ยเขาห้ามพระเรีนวินัยที่ค่อนข้างละเอียดนะะที่จริงพวกนี้ก็ก็ห้ามพระ มาขีดเขียนรูปภาพสวยๆงามๆต่าง ๆ, ง ๆ, งๆโู้จิตรกรรมพวกปรติมากรรมแต่ว่าในการต่อมาเราจะเห็นว่าผลงานจิตตกรรมผลงานปฏติมากรรมผลงานศิลปกรรมเนี่ยเกิดขึ้นจากงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเกิดขึ้นจากพระเยอะเกิดขึ้นจากนัก บ, บวชเยอะเพราะว่ามันเป็นศีลที่ละเมิดละไม ในศีลที่ลึกซึ้งบางทีพระก็ปฏิบัติไปไม่ไหวมาอยู่ในท้องถิ่นมาอยู่ในสังคมถ้าเหล่านี้ก็ดังระเบิดเปลี่ยงปลางเหปือนกันนะเ่นครัวอินโขงอย่างนี้ก็ดังดังอยู่เป็นร้อยปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วในขณะที่พระปฏิบัติเคร่งในศีลในธรรมก็ไม่เป็นที่รู้จักของใครเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างธรรมะกับสังคม ว่าปัญหาเรื่องเดียวกันนั่นเองสังคมมองเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ธรรมะมองเป็นอีกอย่างหนึ่งทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไปนั่นโดยหลักการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยท่านก็สอนให้บุคคลพยายามที่จะมองชีวิตมองสังคมในแง่ที่ทำอย่างไรมันเกิดและเมียดลใหม่ จะให้อะไรแก่ใครเนี่ยมองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้รับในรูปที่ไม่เบียดเบียนตนเองเดือดร้อนไม่เบียดเบียนมงคลอื่ น, นเดือดร้อนเพราะรูปภาพบางอย่างเนี่ยที่จริงคือสมัยพุทธกาเนี่ยมัน ม, มีรูปภาพเปรี่ยไปให้กั น, นอะไรแต่ในลักษณะยังั้น ส่วนมากถ้าให้แล้วก็เป็นรูปที่กระตุ้นกามาราคะนะฮะกระตุ้นการมาราคาที่ห้ามพรวนดํากับร้องประกอบดนตรีเด็กศิริเปล่าะละดูการเล่นต่างๆนันเป็นค่าสุดต่อกุศลมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราดูงานปฏิมา ก, กรรมงานวิจิตรศิลป์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ที่ประเทศอินเดียในปัจจุบัน มันก็น้นไปทางการมราคาน้นไปทางการต่อสู้กันเน้นไปในในการเบียดเบียนกันโดยเฉพาะภาพที่เกี่ยวกับมาราคานี้จะมีมากเป็นพิเศษมากจนไม่น่าเชื่อนะฮะว่าดินแดนศาสนาจะมีการกระตุ้นกับมาราคากันแรงด้วยกันว่ากันเป็นผนังผนังว่ากันเป็นเปพดานเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่เขาเล่านะฮะติกัรจุรโโหเนี่ยเขาบอกจะดีทั้งหลังเลย มีแต่ภาพเรื่องอย่างงั้นทั้งนั้นแล้วก็แสดงว่ามันก็กระตุน้นกิเลสให้บังเกิดขึ้นท่านก็ไม่ถือว่าเป็นการให้ทานให้สัตว์าให้อาวุธให้เครื่องประหารต่างๆเนี่ยตัวสัตว์ลาวุธเครื่องประหารเนี่ยมันเขาเรียกอนามาติคือวัตถุที่ไม่ควรจับต้องว่างท่าจะต้องนะฮะจับต้อ ง, นะองแล้วก็ปรับประบัติเป็นอาบัตทุกคน ผลแต่เราไปให้เขาก็นําไปใช้ในการเบียดเบียนล่างผ่านประทุษร้ายกันไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับไปแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นด้วยเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้คนมีความคิดรุนแรงโหดร้ายมีเครื่องหมายเครื่องมือที่จะไปต่อสู้ห้ําหันปราประหารกันได้ และการต่อไปคือให้ย่าพิษอันนี้ก็ค่อนข้างชัดนะฮะย่าพิษนี่เอาไปกินเองหรือเปล่าให้เขาไปกินเองแล้วให้เขาไปทํำลายคนอื่นอันนี้ชัดเจนมาเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นที่ชัดเจนให้โซ่ส่วนเพื่อนําไปจองจําบุคคลอื่นเป็นการทรมานสัตว์เป็นการทรกรรมสัตว์เป็นการประจนต์สัตว์เป็นการเบียดเบียนสัตว์ได้เดือดร้อน แล้วให้พ่อแม่พันสัตว์ต่างๆนะฮะเช่นไก่อะไรตร่ออะไรไก่เป็ดหมูแมวอะไรต่ออะไรต่างๆก็าๆตามนะเอาไปผสมพันธุ์พูง่ายเอาไปผสมพันธุ์เนี่ก็ถือว่าเป็นการผิดเป็นชีวิตที่ลำเน็ดล้มใหม่เดีย๋ยนึกว่าสมัยก่อนจมพลปอพิบูลสงครามที่ทำสวนขูวอะไรต่ออะไรกันเนะี่ คนไทยเรารุ่นปู่ย่าตาใหญนี่ก็กลัวการเลี้ยงหมูนะการเลี้ยงสัตว์เพื่อขายเป็นอาหารไม่ยอมเลี้ยงสัตว์ขายเป็นอาหารเพราะกลัวบาปเนื่องจากเรื่องเหล่านี้ตันห้ามเอาไว้ให้แม่สุกรพ่อสุกรเพื่อผสมพันธุ์ให้แม่สุนักพ่อสุนัขเพื่อผสมพันธุ์ให้แม่มา้าพ่อมา้าเพื่อผสมพันธุ์ให้พ่อควายแม่ควายเพื่อผสมพันธุ์ใดแต่างต่างๆสรุปว่า เพเป็นไปในด้านของกาม马าคะในแง่สมาชีพเองมันก็ไม่เคยเป็นสมาชีพ น, นะครเพราะว่าในสมาชีพิกมันเป็นศีลสิกขาศีลสิกข า, าต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นแต่ว่าการเลี้ยงชีพในลักษณะนี้เราเจ็นว่าเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นก็ทําให้สัตว์ เดี๋ยวนั้นมัวมองมุมกมุ่นดูในทางเพศแล้วก็ตัวเองก็ได้ผลประโยชน์จากศาสตร์เดียวนั้นที่ม้วนซุมในทางเพศแต่เราต้งให้พวกเครื่องโกงทั้งหลายเนี่ยใช้ตาช่างใช้ท่านานใช้เครื่องตวงใช้เครื่องวัดใช้เครื่องเอ่อมากต่างๆที่มันโกงอะ่ะก็เป็นการผิดศีล็นการเบียดเบียนตัวเองและบุคคลอื่นทั้งหมดนั้นท่านไม่ถือว่าเป็นฐาน คือตัววัตถุที่ให้ไปเนี่ยไม่ถือว่าเป็นทานใครคือให้สิ่งเหล่านี้ก็สักแต่ว่าให้นะฮะแต่ว่าเป็นบาสนะฮะเป็นบาปเพราะว่าเป็นการส่งเสริมคนในทางที่ที่ไม่ดีได้นําท่านผู้ฟังทั้งหลายไปเสนอเรื่องทานโดยในย่าต่างๆซึง่งเราจะเห็นว่าเมื่อคราวโดยสรุปแล้วทานก็เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือในรูปของการตกแต่งพบจชาติประนิจสร้างสารรพัฒนาชีวิตจะมีความประนิจบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์บังเกิดในภพมโลกบังเกิดในไรกรตามนะฮะในต้องการที่ยังบังเกิดดูแต่าทานเนี้จะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้ตนได้ไปเกิดดีได้เรียกว่าตะนิสิตะสิตะทานคือการให้ทาน โดยอาศัยวัตตะเป็นการตกแต่งพบชาติของตนนั้นมีความตรณีจริงขึ้นไปก็แสดงว่ายังมีความยินดีอยูอย่ในภพยังสยบติดอยู่กับภพเก่าชาติต่างๆอีกประการหนึ่งเป็นวิวัตตะนิสิตะทานคือการทำทานโดยปรารถนาการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ มรรคผลนิพพานอะไรที่สมัยก่อนที่เราพูดว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานในนาคตการเบิงหน้านู้นเธอเนี่ยทีอจะ อ, อกมาในลักษณะอย่างนั้นตลอดเขาเรียกว่าไม่ปรารถนาสมบัติหรือภาวะสมบัติสมบัติคือความเป็นแต่ปรารถนาโพธิญาณหรืออาสวะหมดอาสวะกิเลสไป แต่ท่านทานทั้งสองระดับเนะมันก็เป็นหลักการในการพัฒนาจิตใจของบุคคลให้มีความสงบไห้มีความประนีตมีความเยือกเย็นขึ้นไปโดยลำดับเพราะเจตนาเป็นเครื่องให้ฐานนั้นมาต้องมีมีปัญญาเป็นเครื่องมือในการสวสสอบพิณิพิจนา ยังไม่มีอะไรเนี่ยก็พิจารณาว่าการให้ฐานดีแล้วก็ให้แต่ว่าในชั้นของปัญญาที่เกิดขึ้ น, พ, นพิจารณาเนี่ยมันต้องมองคนที่เราจะให้ด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพด้วยความนับถือด้วยความเมตตากรุณาด้วยความพัฒ ด, ดี เรื่องความเลื่อมใสก็แล้วแต่นะครับหมายความมองกันในแง่ดีแต่ตัววัตถุสิ่งของนั้นเราไม่เสียดายเราไม่จะหนีเราไม่หวงเอาไว้เพื่อตัวเองพร้อมที่จะบริจาคเป็นการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลอื่นเป็นประการสำคัญทั้งฝั่งทั้งไร แต่รวมมาพธิญาในวันนี้ขอยติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจูงมีแด่ท่านผู้ฝังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี